b o o ก2ูสารีดการทำความรู้จักต n t งม t e n นต้องมูตสวัสดีค่ะฮลล สวัสดีค่ะด a g ด a g สบายดีไหมคะ Hoe g a a ท het? Hoe ู a า t h ท t คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะกยุร pa ่ะคุณมาจากยโรป่คะุณมาจากอเโรป่มะคุณมาจากริกาใช่ไหมคใช่ไหมคะ Komt u uit Amerika? Komt u uit Amerika? Kun maat Asia, j a m a i Komt u uit Azië? Komt u uit Azië? Kun p u In welk hotel verblijft u? In welk hotel verblijft u? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไราแล้วคะคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะคุณชอบที่นี่ไหมคะ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะยมีก่อนทีนี่ใช่ไมันที่าเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะีฉันบ้างนะคะี่มนานยี่มดิันบางนคือทาี่อมันคยี่ขอบงนดิฉันคี่ฉันะคะมาี่ยะคะมาเยี่ยมงดิัน่า เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะเจอกัน e รุ่ a นี้ดีไหมคอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างมคอคอกัก่อนค่ะ ลาก่อนค่ะทอตซีนส์ทอตซีนส์แล้วพบกันนะค่ะทุกท้าวทุกท้าว